เส้นฟองที่ครบค่ะวันนี้วันศุกร์ไม่ว่าจะาวันจันทร์อังคารพุทธพฤหัสหรือวันศุกร์ถ้าเป็นรายการสันสัญมีสนทนาก็จะมีพระภิกษุสองรูปนะคะผ่านรูปแรกไปคือพระมาชาคาวโรตอนนี้ก็มาถึงรูปที่สองพระภัยบย์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีค่ะนมัดกการเงท่านคะเชพาค่ ะ, คะวันนี้ดิฉันเนี่ยไปอ่านหนังสือพิม เรื่องมันแปลกดีอะค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าใครคิดจะทําเป็นเรื่องเป็นราวเขามีเครื่องนับยิ้มค่ะอันนี้เป็นการสร้างขึ้นมาของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตสสหรัฐถ้าเรียกชื่อใช่ถ้าเรียกชื่อเต็มๆมีคนจะงงแต่ถ้าบอก MIT แล้วโอ้โหรู้เลยว่าผลิตแต่คนเก่งๆแล้วเขาก็เก่งด้วยนะคะสถาบันนี้เขาสร้างเครื่องตรวจจับอารมณ์ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า มูดมิเตอร์มูดที่อารมณ์ น, นะคะมิเตอร์วัดแบบวัดมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำเนะะี่ยค่ะสามารถตรวจนับจำนวนรอยยิ้มที่ปรากฏในบริเวณที่กำหนดแล้วก็บ่งชี้ได้ว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นน่ะเป็นอย่างไร hmm. วิธีการนะคะเขาจะติดตั้งกล้องจับภาพใบหน้ากับรอยยิ้มได้แบบเรียลไทม์คือเวลาจริงอย่างนั้ น, นะะ hmm. และจอฉายภาพเอาไว้สี่แห่งที่มหาวิทยาลัยเอไมท oh. นะคะ เขาบอกว่าเมื่อจับไปเจอใบหน้ายิ้มเนี่ยจอมันก็จะขึ้นเป็นกระตูนรูปยิ้มแต่ถ้าไปเจอคนหน้าเบื่องกับหน้าเฉยเฉยเนี่ย uh huh. จะถูกแทนที่ด้วยหน้ากระตูนที่ไร้าอารมณ์ uh huh. แล้วซองแบบก็จะประเมินเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยยิ้มกว้างแค่ไหนได้ uh huh. ใช้ค่าเป็นตัวเลขคะ่ะถ้ากว้างน้อยหน่อยก็คงเลขน้อยแต่ถ้าหนึ่งนี้อาจจะไม่ค่อยมียิ้ ม, มนะคะเรื่อยไปจนข้างถึงสองร้อ huh. ยแล้วก็ไปผลเป็นระดับความสุขของพื้นที่นั้นอื uh huh. เขาคาดว่าจะช่วยให้พิธีกรหรือนักแสดงเนี่ยสื่อสารกับผู้ชมได้ดีขึ้นอืแล้วมันเกี่ยวอะไรกับธรรมะข้อที่หนึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกดีคนก็พยายามทําอะไรแปลกๆ แ, แต่เรื่องที่สองเนี่ยยิ้มกับธรรมะเนี่ยคุยได้ไหมคะท่านคะเออคือมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้ว่าคือยิ้มเนี่ยเป็นการแสดงออกของความสุขแบบหนึ่งใช่หมค่ะที น, นี้การยิ้มเนี่ย ม, มันก็จะถามว่าเหตุอะไรให้ให้คุณยิ้มเช่นบางทีเราเห็นว่าไอ้หมอนี่เราเกลียดเขาอยู่เขา ได้รับทุกขเวทนาเรายิ้มนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ความสุขนะแต่เป็นความที่เรียกว่าสมน้ําหน้ามันลักษณะนี้นะซึ่งเครื่องนี้จะวัดผิดละเขาเรียกว่ายิ้มยอท่านคะยิ้มยอค่ะหรือนแล้วก็คืออันนี้เป็นความความเกลียดความพระเจ้าใช้คําว่าความรักที่เกิดจากความเกลียดคือเราเกลียดหมอเนี่ยพอหมอนี่มันได้รับทุกเนี่ยเรามีความสบายใจขึ้นมาในมีความพอใจขึ้นมา นี่คือความรักที่เกิดจากความเกลียดทีนี้อันนี้ก็จะมีจะทําให้ได้ผลไม่ถูกทีนี้ว่ามันจะมีความาสบายใจความพอใจความดีใจแบบอื่นอีกที่ไม่ได้ยิ้มอย่างเช่นว่าคือยิ้มเนี่ยเราเห็นสิ่งใดนึกสิ่งใดนึกถึงสิ่งที่เป็นกา ร, รมคุณในอดีตใช่ไหมเราพอใจขึ้นมาเราก็ยิ้มทีนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากในภายในละ่ะที่ภูริาชาจะใช้คําว่าเป็นอามิดอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เป็นอามิดเนี่ยคืออาศัยเครื่องล่อถูกไหม อย่างเช่นมาเราไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวที่นั่นที่นี่นี่ยต้องมีของอย่างนี้หรือคนพูดอย่างนี้กับเราเราถึงจะยิ้มออกอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอา mith นะสิ่งที่เป็นนิรามิตก็ตรงกรันข้ามกันคือไม่ต้องอาศัยเค ร, รื่องพวกนี้ไม่ต้องอาศัยเค ร, รื่องร่อเราก็จะจะยิ้มออก <S 2> <S 2> <S คือเป็นความสบายใจที่เกิดจากในภายในนะทีนี้เครื่องนี้มันก็จะไม่ได้วัดความแตกต่างด้วยที <S <S นี้ว่าถ้าเราจะจะรู้ได้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเครื่องวัดแบบนี้เหมือนกัน คือคือญาณคือแปบลว่ากําลังจิตที่จะไปตรวจว่าอจิตของคนนี้เป็นยังไงผ่องใสไหมจิตคนนี้เศร้าหมองไหมจิตคนนี้หดโหู่ไหมจิตคนนี้ตั้งมั่นหรือยังจะทราบได้อันนี้จึงจะเป็นความสามารถที่เรียกว่าเจโตปริยญาณเนนะคือสแกนไปเนี่ยรู้เลยใครเป็นยังไงเนี mm. ่ราก็จะแสดงธรรมแบบไหนอย่างที่กรณีของเครื่องอมูดมิเตอร์นี่ใช่ไหมจะทําให้ผู้ โคกหรือว่าผู้ประกาศเนี่ยรู้ว่าเออคนนี้เขาคิดกันอะไรกันยังไงใช่ไหมซึ่งเหมือนกันเวลาผู้รู้จัาแสดงธรรมเนี่ยจะต้องทราบก่อนว่าม o ทของแต่ละคนเนี่ยพร้อมฟังธรรมหรือยังอันนี้ก็คือลักษณะของอินทรีย์แก่กล้าวของแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็คนแบบนี้ควรจะฟังธรรมแบบไหนอันนี้พวกเราก็จะทราบในรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปอีกซึ่งซึ่งอันนี้คิดว่ามันจะเกี่ยวกันตรงที่ว่า m o o ทของเราเนี่ย จะมีผลต่อการรับรู้ของของเราเองะนะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นได้ตามที่เป็นจริงเราจะรับรู้ดีกว่าเราจะเรียนได้เร็วกว่าเราจะจำได้นานกว่าค่ะกหมายความว่าถ้านบรรดาเครื่องวัดแบบเนี้ยพระพุทธเจ้ามีเครื่องวัดของพระพุทธองค์เหมือนกันแถมวัดได้ดีกว่าด้วยเพราะเป็นเรื่องของ ช า, ชาญหรือยานคะยานยา น, ยานเป็นเรื่องของยานยอหญิงสละ า, อานอนหนุ่ยานกับชาญต่างกันยังไงล่ะคะชานคือสมาธิคือการเพ่งชานต้องเกิดก่อนยานเกิดทีหลังอชาญเนี่ยเป็นสมาธิเป็นการเพ่งจิตที่เป็นสงบอะแล้วยานเนี่ยคือความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นอ๋องั้นถ้าสมมุติคนที่นั่งสมาธิในช่วงแรกๆกก่อนที่จะพัฒนาไปจน ขนาดที่เกิดปัญญาอือันนั้นถือว่ากําลังอยู่ในฌานใช่ไหมคะเข้าฌานอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะถูกต้องถูกต้องนี่สะกดด้วยเฉาะเฉยค่ะสมัยตอนที่อาตมายังไม่รู้เรื่องอะไรคุญยมติวยังไม่ได้มาศึกษาพุทธศาสนาอะไรเงี้ยนะฌานชานเนี่ยเราก็คิดว่าฌานบ้านอนะนะเาเธอมีฌานฉันก็มีฌานในบ้านฉันก็มีฌานไม่เห็นแปลกเลยอ๋อดิฉันไม่คิดอย่างนั้นนะคะคือดิฉันพอจะเห็นตัวอักษรมันเหมือนกับว่ามี มวนมวนวิจิตพิสดารถ้าอยู่บนแป้นพิมดีก็ต้องมีกฎกระเดื่องให้มันขึ้นไปข้างบนหน่อยให้มันยากกว่าปกติคิดว่ามันเหมือนกันอเพราะว่าบางทีมันมีคําพ้องรูปพ้องเสียงแต่ความหมายเดียวกันใช่ไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยฌานกับยาณเนี่ยเหมือนกันจริงๆอ๋อจะมีความแตกต่างกันอยู่ยานเนี่ยเป็นผลของฌานฌานเกิดก่อนยานเกิดทีหลังอันนี้พระุทธเจ้าบอก ความจริงถ้าบางคนว่าแหมมันจำยากถ้ามีวิธีจำแบบเด็กๆนะคะอื อ, อจำยังไงคือชานเนี่ยมันออกเสียงชอช้างมันมาก่อนยอ ย, ยักสมบุรณ์เลยค่ะอย่างนี้มันก็จะไปตอบข้อสอบได้ถ้าเกิดท่านไปบูร์ออกข้อสอบยังพอจำได้ออค่ะใช่ใช่ใช่ใช่ท่านคะทีเนี้ยเดี๋ยวฉันจะกลับเรียนฐานท่านนะคะว่าแล้ว เราจะรู้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนไหนมันเปลี่ยนจากชาญเป็นยานแล้วต้องให้ครูบาอาจารย์บอกไหมหรือว่ารู้ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละอ๋ออันนี้รู้รู้ได้ง่ายมากคืออย่างเอ อ, อเราต้องทราบอย่างเรากินข้าวอย่างเงี้ยตอนก่อนที่เราจะกินกับตอนที่เรากินแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันกินเสร็จแล้วก็ยังไม่เหมือนกันการรู้รสเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นรู้ตรงเนี้ยคือยานเนี่ยคือการรู้มันจะรู้ขึ้นมาในจิต นะซึ่งเป็นความรู้ของจิตเหมือนเวลาลิ้นเราไปแตะอาหารเนี่ยเราก็รู้ขึ้นมาทันทีอ๋ออันนี้ไม่ใช่ว่ามั่วเอาอย่างอย่างเอาง่ายๆเวลาที่เรานึกถึงมะนาวอย่างเงี้ยแต่บางคนนึกถึงมะนาวในตู้เย็นเรานึกถึงมะนาวบีบใส่ปากเงี้ยบางทีน้ําลายเราก็ไหลออกมาแต่เรารู้ว่าไอ้น้ําลายที่เราไหลออกมาเป็นแค่ความนึกคิดเฉยๆไม่ใช่ดนมะนาวจริงๆนั่นมันจะไม่เหมือนกันนั่นค่ะทีนี้ถ้าพูดถึง บทพยัญชนะเพราะว่าเวลาเร า, เราเรียกว่าเป็นเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะใช่ไหมคะ ใ, ในสิ่งที่เกี่ยวกับฌานและยานเนี่ยคือเรื่องของสมาธิถูกไหมคะใช่ใชค่ะทีนี้พอเป็นเรื่องของสมาธิดิฉันก็จําได้เรือนลางที่ว่าเรียงลําดับมาฌานมาก่อนยานมาทีหลังเนี่ยถ้ามันมีอยู่แปดหรือเก้าขั้นตอนนะคะท่านพูดถึงในเรื่อ ง, องมสมาธิอาาเอาสมาธิมีทั้งหมดเก้าระดับ เก้าระดับเป็นฌานกี่ระดับถึงมาเป็นยานคะท่านคะโอ้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งก็ทําให้เกิดฌานได้เลยเออเกิดยานได้เลยฌานขั้นที่หนึ่งเนี่ยก็ทําให้เกิดยานได้เลยอ๋อเหรอคะใช่อ๋อดิฉันนึกว่าต้องขึ้นบันไดฌานไป4ขั้นแล้วค่อยเป็นยานอีกหขั้นไม่ไม่จำเป็นแต่ความละเอียดลึกซึ้งของยานเนี่ยจะไม่เท่ากันตามระดับความละเอียดลึกซึ้งของฌาน คือสมมุติว่าเราจะไปยกน้ําหนักเงี้ ย, ยเครื่องยกไอ้น้ําหนักที่มันหนักเนี่ยเปรียบเสมือนยานคุณคะจะเอาไปใช้งานใช่ไหมกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยคือยานน้ําหนักที่จะไปยกคือชาดเพราะฉนั้นกล้ามเนื้องคุณต้องมีกําลังมากคุณถึงจะยกน้ําหนักได้มากถ้าคุณมีกําลังน้ะคุณยกน้าหนักได้ไหมได้แต่ยกได้น้อยเพราะบางทีอย่างคนที่นั่งฟังท่านมาร์กพูดมาตั้งแต่ตอนแรก หายใจเข้าหายใจออกใช่ไหมมีสติอยู่ใช่ไ้มเขาอาจจะรู้แล้วก็ได้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันแต่รู้ไม่ละเอียดอาจจะพูดถึงโอ้เรื่องอินซีห้าก็มาคุโยมติ๋วก็พูดถึงเรื่องเครื่องมูดมิเตอร์ของเอ็มไทต่างต่ก็เป็นรายละเอียดที่เขาจะไม่ทราบเพราะว่าเขามีกำลังชานเท่านั้นทำให้เขายานรู้เท่านั้นก็จะหนักเบาละเอียดลึกซึ้งไม่เท่ากันหมาถึงว่าในทุกระดับ ของสมาธิคือฌานถูกไหมค ะ, ะ ด, ดิฉันกาลังจะพยายามทำความเข้าใจออว่าในเมื่อท่านบอกว่าฌานเนี่ยคือสมาธิ ใ, ในทุกขั้นตอนตามออสัมมาสมาธิออของพระพุทธองค์นั้นมีฌานอยู่ทุกขั้นตอนแต่ว่าระดับของญาณมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งเพียงแต่จะมากหรือจะน้อย ขึ้นกับกําลังของฌานใ ช, ใช่ใช่ใถูกทีนี้ฌานถ้าถ้าเอาพูดให้ตรงๆงบทเพลงชนะนิดหนึ่งเนี่ยฌานคือการเพ่ง ค, คุณเพ่งแล้วผลที่เกิดขึ้นคือสมาธนะิเพราะฉะนั้นฌานเนี่ยจะเป็นเหตุของสมาธิค่ะนะซึ่งฌานเนี่ยถ้าพูดให้ถูกบทเพียงชนะเป๊ะๆ เ, เลยมีอยู่แค่สีขั้นคือรูปฌานใช่ไหมอีก4ขั้นถัดมาเนี่ยซึ่งเป็นขั้นอารูปเนี่ยจะไม่ได้เรียกาละ นะเพราะมันจะเพ่งไม่ได้แล้วมันไม่มีอะไรให้เพ่งค่นะแต่ว่าคือบางคนเขาก็เรียกอะรูปประชานนนะแล้วอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นสุดท้ายเนี่ยก็มีได้เฉพาะสําหรับพระอนาคามีขึ้นไปก็จะรวมเป็น9ระดับเพราะฉะนั้นสมาธิมี9ระดับใช่นะสมาธิที่จะเกิดจากการเพ่งได้มี4ระดับแรกโอนะเพ่งที่ไม่เป็นรูปก็ไม่เพ่งละ่ะก็อีก5ระดับถัดมาสูงขึ้นไปอีกนะแต่ละระดับใน9ระดับนี้ นะมีญาณเกิดเป็นผลได้ตามมาตลอด mm. ความญาณจะชัดเจนหรือไม่ก็อยู่ที่ฌานนั้นๆเนี่ยลึกละเอียดรอบครอบลึกซึ้งแค่ไหน mm. ออวันนี้ก็ถือว่าเห็นหน้าเห็นตาของระดับของสมาธิที่ mm. มีอยู่9้าระดับนะคะว่าถ้า4ี่ระดับแรกเป็นเป็นรูปฌปานรูปฌปานใช่คือเพ่งรูป แล้ว เ, เกิดสมาธิใช่สมาธิเพื่อให้เกิดยานถูกต้องค่ะแล้วส่วนอีกห้าระดับที่เหลือเป็นขั้นของจับต้องไม่ได้ละเป็นขั้นของอรูปนะคือเป็นขั้นของอรูปคือที่บอกว่าจับต้องได้เนี่ยหมายความว่ายังใช้สิ่งที่จับต้องได้เป็นตัวสร้างให้เกิดสมาธินั้นใน4ขั้นแรกนะห้าขั้นถัดมาก็เป็นขั้นอรูปค่ะฟังดูเหมนยากจังเลยนะคะ ก็จะเปรียบเทียบง่ายๆก็จะเหมือนกับเรายกน้ําหนักอย่างนี้แหละถ้าเรามีกําลังมากขึ้นเราก็ยกได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปท่นคะทีนี้ในเมื่อมีผู้ทวจนะกํากับไว้จริงๆว่าสมาธิเก้าระดับนั้นเนี่ยแต่ละระดับเป็นอย่างไรถูกไหมคะถ้าใครอยากรู้ต้องไปอ่านผู้ทวจนะใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ปฏิบัติตามท่านมาร์คที่บอกให้ปฏิบัติ มาตลอดแล้วก็ขยันด้วยนะคะทำแบบที่ท่านได้บอกเมื่อวันก่อนว่ายังไงนะคะต้องเพียนปรารกสม่ำเสมอ ด, <ช>ด้วยดีอะไรพวกนี้นะค ะ, ะ, ะ, ะจะรู้เองไหมคะว่าชาญพัฒนาเออมันจะพัฒนาหรือไม่เนี่ยเราจะทราบจากความชัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพูดถึงการเจริญสมถเวิยพัฒนาเนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งทาสเป็นอนเนกใช่ไหม อเนกมันเ อ, อนเออนก อ, อ, น อ, อ, นอย่างไรงบางทีเราก็ารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก่อนบางทีเราก็รู้เรื่องในอดีตซึ่งตรงนี้มันจะขยายวงกว้างออกไปเรื่องในอดีตเรารู้ไกลขึ้นเรื่องในอนาคตเรารู้ไกลขึ้นท่านกำลังพูดเหมือนว่าเมื่อมีอะไรตกไปใส่ในน้ำแล้วมันขยายเป็นลัศมีอย่างนั้นหรือยงไงคะใช่ใช่ลักษณะนั้นเราจะเปรียบเทียบกับลักษณะนั้นก็ได้ค่ะ ทีนี้เวลามันเหลือ น, น้อยดิยฉันอยากจะให้ท่านให้กันบ้านท่างฝั่งทั้งหลายในวันที่ท่านเพบูนไปจัดที่วิทยุประเทศไทยแล้วท่านที่ฟังได้แค่ร้อยหกเนี่ยก็จะต้องทํากันบ้านอย่างเดียวเลยทํากันบ้านเรื่องชานเนี่ยท่านคิดว่าควรจะทําอย่างไรดีแล้วเดี๋ยวมาส่งกันบ้านกันวันจันทร์ อ, อ่สิ่งที่ต้องทํำนะ คือคือทำสมาธิบางคนอาจจะว่าต้องเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโน่นเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งซึ่งตรงนี้จะทําให้เกิดความสับสนว่าเอ้ยฉันต้องทําฌานให้เกิดยานนะเกิดยานแล้วจะได้เห็นนั่นนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิ่งที่ต้องเห็นเนี่ยคือเห็นตามที่เป็นจริงแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราทําสมาธิจิตเราสงบนะบางคนอบอกว่าสิตสงบเป็นสมาธิหัวตออย่าเพิ่งนะให้เห็นตามที่เป็นจริงเพราะนั้นถามว่าถ้าคุณทําสมาธิแล้วคุณเห็นเกิดดับนะคุณเห็นเกิดดับขนาดไหน ปล่อยวางได้ไหมที่ต้องให้การบ้านคือให้ไปทําจิตให้เป็นสมาธิเห็นเกิดดับจนกระทั่งปล่อยวางได้แล้วมาอธิบายให้ฟังว่าปล่อยวางเป็นยังไงมีคําถามถามตรงนี้ก็ถามสามารถถามได้ค่ะไปทําการบ้านให้ให้เห็นเกิดดับจนปล่อยวางได้เ น, นี่ดิฉันให้ท่องบทเพียญชนะไว้ก่อนนะคะจะได้รู้ว่าการบ้านโจทย์คืออะไรไปทำสมาธิ ให้เห็นเกิดดับจนปล่อยวางได้อันนี้เป็นจงของท่านไพบูรณ์ส่วนมีคำถามอะไรเราบอกให้ติดต่อมาถามเลยดีไหมคะได้ไดที่เพียวธรรมะ p u r e d h a m m a dot com slash หนึ่งศนหะคะหรือว่าจะฝากคำถามทางโทรศัพท์ที่ศูนย์สองสองหกเก้าศูนย์ศย์ศูย์หกที่นี่ท่านสามารถขอหนังสือพุทธว จ, จนะซึ่งจะรวบรวมบทพยัญชนะต่างๆไว้ ขณะนี้กำลังแจกเล่นตามรอยทำเข้าใจว่าคงจะไม่มีลำดับขั้นตอนของสมาธิเก้าขั้นนะคะเอาไวา้ถึงรอบที่จะแจกหนังสือนั้นก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามบทเพียนชนะของพระพุทธองค์เนี่ยอ่านบทหนึ่งจะไปเก้อกุอีิบทหนึ่งไหมคะท่านอ๋อแน่นอนจะสนับสนุนกันนะคะจะเชื่อมโยงกันได้ นะคะก็เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพลโลวัฒนาปาพง์ลำลูกกาคลองสิบมอบให้สําหรับวันนี้คงจะต้องบอกว่าให้ไปฟังท่านไปบูนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเวลาเดียวกันเลยนะคะตีห้าสําหรับเสาร์อาทิตย์แต่วันจันทร์ก็กลับมาฟังกันใหม่นะคะต้องย้ำ <c oughs> เดี๋ยวท้ารู้ฟังลืมแล้วก็จะไม่ได้เจอกันเท <c oughs> ่านี้ในมรดกการขอบพระคุณท่านไปบูนเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะแน่ใจผ่า ท่านครับวันนี้เราได้ประโยชน์เยอะทีเดียวนะคะจากการที่ขึ้นต้นเรื่องเครื่องจับยิ้ น, นี่ยทำไปทํามากลายเป็นว่าสนทนามาถึงเรื่องของฌานและยานซึ่งถือว่าเป็นสาระที่สําคัญมากของพระพุทธศาสนาเพราะเป็นส่วนหนึ่งของทางนะคะที่จะพาเราไปสู่การพ้นจากความทุกข์ที่เป็นคําสอนของพระาศาสดา ข, ของเราและอย่ินดีทํากันบ้านนะคะนั่งสมาธิให้เห็นเกิดดับแล้วก็ปล่อยวางได้ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะพุทธ ว, ส, วสดีค่ะ